มินไม่ดีกันอยากจะถามอะไรก็ถามอาจะรย์ว่าอยากให้เท่เลยพระอาจารย์เคยบอกว่าใจคนไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปจีบกับใจคนให้อยู่ที่เพื่งในใจทุกอย่างทั้งนีนะ้ไม่แน่นอนคนะ่ะท่านว่าจะใคนหือใจหมาหรือะไรอะไรเหมือนกันทุกสิ่งอยากมไม่แน่นอน ขอเสื้อ้านอเท้ามันก็ไม่แน่นอนข้าวของเดนของก็ไม่แน่นอนของไม่แน่นอนเขาก็รักเรากาเขาสดเาอยากไปยี ย, ยไปเตี้ยเียไปพึ่งไมดดีๆึ่งตัวราเองตำใจให้าตมุนอถตอนเป็นทีนท่ึของตงที่พึ่งของตนจอะไรก็คือไทย มังสวิรัตช้าเนี่ยปฏิบัติทำไปแล้วก็ใจก็จะต้องมียกายสุดพายเสร็จแล้วก็ไม่ต้องขึ้นมาอะไรที่เราต้องขึ้นสิ่งทั้งสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เพราะเราต้องตายความสุขจากเขาที่พอเวลาขึ่งเขาไม่ได้เราก็ทุกข์กันเวลาเขาอยู่กําลังก็สุขเวลาเขาจากเราตอนก็ทุกข์ ทุกอย่างในโลกนี้ไม้ว่าจะมีนคนหรือเป็นอะไรมั น, นีไม่แน่นอนนะครับมีจุดที่อยากมันมีไปมีความสงบที่ที่จะไม่ไปจากเราจะเป็นของเราที่อยู่กับเราตลอดชั้นนี้ก็สงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงเราะมันจะเป็นความสุขที่แน่นอน ทำรที่วันกสายไม่ได้ยินเสียง <im it> ได้ยินแล้วใช่ไหม <im it> ขอใครด้วยเมื่อกี้เขาไม่ได้เสียบไมค์คนทางบ้านก็อะไรไม่ได้ยินเสียง <im it> เราจะรีเพยไหมคะ <im it> รีเพยยกใ ไ, ได้ยินเสียง <im it> ไม่เวลาล้ก็ <im it> ก็วีเพย์ก็ได un> ้เี <t <t ิพูดเรื่องคนว่าไม่แน่นอนใจคนเราไม่แน่นอนแล้วรจะดูแลว่าใจหมาคิดยังไงใจหมาใจเหมือนกันนก็เป็นใจเหมือนกันชาติที่มันมาเป็นหมาเพราะว่าชาติก่อนมันไปทำบาปมาชาตินี้เลยต้องมาเกิดเป็นหมาแต่ใจก็อันเดียวกันใจคนใจหมาใจเทวดาดวงเดมดวงเดิมใจ ใจพระพุทธเจ้าใจอะไรมีใจของพระพุทธเจ้ากับพระอาหลานเท่นั้นนะที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ไม่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือไม่กลับไปกลับมาแต่ใจคนอื่นนี่ยังพลิกไปพลิกมาได้รักได้ชังได้แต่ใจ <c oughs> ใจพระพุทธเจ้านี่ไม่ไม่เปลี่ยนเมตตาตลอดเวลา ไม่โกรธใครไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดใจของคนที่มีกิเลส ม, มันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เพราะกิเลมันทำให้ใจคนเราเปลี่ยนความรักความชังความกลัวความหลงมันทำให้คนเราเปลี่ยน <c oughs> เวลารักก็ไว้ดีแสนดีใช่ไหเอ <c oughs> เ, อ เ, อเอวลาชังก็ไม่ยอมมองหน้ากันเลย ไม่อยอมพูด อ, อ, อันนั้นเาะใจของคนเราปุถุชนนี่ยังมีกิเลสมีความรักชังกลัวหลงอยู่เดียวจะพูดว่าตอนแรกก็ว่าทีทดีตั้ ง, ลงหลังก็ไม่รักเราอะไรเงี้ยครับรันโค้ดตอนนี้ได้ยินเสียงไหมใช่ไหมเสียงทั้งบ้านได้ยินแล้วใช่ไหมย t u b e ยังมีอ่านอีกนิดหนึ่นา ตรงนี้ชรงนี้ถือว่าเป็นการทดลองเสียงใบก็แล้วกันยังไม่ได้ถ่ายทอดจริงตอนนี้เป็นการซ้อมถ่ายทอดสดไปก่อนสถานีนี้ไม่มีไรายได้ไม่มีโฆษณางนั้นเราไม่ค่อยกังวลกับคุณภาพเท่าไหร่ดีก็ดีไม่ดกีก็ทำให้มันดีไป แต่เลตติ้งไม่เป็นไรจะขึ้นจะลงไม่สาคัญเพราะเราไม่ได้ขายโฆษณาไม่มีไรายได้มาจากที่ไหนนะเนีนเ่ยมาือที่ไหนคะอาจารย์ถามค่ะอไม่ได้มาด้วยกันนะมาด้วยกันแต่งค่ะงงกันเพึ่งมาครั้งแรกเลยครั้ทงที่สองครั้งที่สอ ง, างมาท้นกับเพื่อนอ๋อ เรามีเจตนาที่จะมาทำอะไรหรือเปล่าจะมาปนค้ายจายนแล้วค่ะปนมาทำนะคะนมาทเลย <c oughs> เอาเปิร์ดมาหเปล่าเอาใจมาค่ะเอาจิตดวงเดิมมา <c oughs> นี่วันล่าเพิ่งได้ยินจะมีคนจะมาปนตกใจแค่ว่าจะมาป้้นเงินบอยจาคปนมาทำไปคะ่ะ <c oughs> ทาทำไม่ต้องป้นีของฟรีอยู่แล้วธรรมะธรรมะเป็นของฟรีเป็นธรรมทานที่นี่แจกเป็นธรรมทานไม่ต้องปนเนี่ยหนังสือซีดีถ้าต้อตงการก็หยิบไปได้อะไรเนี่ยอ๋อธรรมทานเนี่ยมาพอดีเลยคเครื่องเล่นเอ็นพีสามเลย สมพันกามีเทขของรอาจารย์นะคะแล้วก็มีธงมากแ้็ีตาแล้วก็มีา่มีสามบอย่างนี้ค่ะแลวเกเครื่องแล้วก็ที่ใช้สายมันเป็นเอสบีกสามารถเอาไปใส่ในอุปกรณ์อื่นได้ด้วยลีซาอ่คะมาแกใช่ไหมให้แจกใช่ไหมแจกได้ค่ะแล้แจกสา มาละใคอยากจะมป้นธรรมทานทํามละเนี่ยป้นก่อนได้ไหมเอเลยหยิบเลยไม่ต้องการเอาไปคนละเอาคนละเครื่องนะอย่าเอามากอย่าโลภหยิบได้ใครอยากเอาก็หยิบไปคนละเครื่องนมนกคคแราจากที่ไหน คือเล่นมาจากแรกแต่โยมมันดังโบราณสนุกว่าจะกคุณเทพค่ะอ๋ออย่างคนละเทศกันละทางเราคิดยังไงถึงจะเอาเครื่องมาถวายก็วันนี้วันวันเกิดหนูค่ะอ๋อแต่เป็ช่วงปกติก็เอาไปวาอยากจะถวายขอย่างนี้ยจะได้ คนฟังได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาในสาธุการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงลดพอลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับธรรมธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งของพวกเราเที่เราพึ่งได้ตลอดเวลาธรรมะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอาการิโกให้ความสุขกับเราตลอดเวลา อันก็ขออนโมบูธนาในกุศลอันยิ่งใหญ่อันนี้ท่านทุกทุกท่านด้วยใครอยากจะได้เครื่องเล่น m อ3ีสามก็มาหยิบเอานะเพรา ะ, อะเอาคนละเครื่องนะอย่าอย่าโลภน ะ, อ, ะอย่าเอาไปฝากได้เอาเข้ามาได้ ได้จะมีถวายอะไรเข้ามาถวายได้เดี๋ยวโยงขยับไปหน่อยได้ไหมเพราะมันบังกล้องเปิดทางเนี่ยเอามาใครต้องการก็หยิบไป อ, อันนี้แจ็คพอตใครมาอันนี้มาแจ็คพอตแจอ่อ า, อาไปคนละเครื่องนะไปคนละเครื่องอย่าวไปฝากใครนะห้ามเอาไปฝาก ไม่ต้องปนไม่ต้องปนตัแต่กันภาาเดทางว่ากนนี้เอาเฉพาะนะครับเพื่อาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้แล้วเคบมจะได้ตอบนือย่าอย่าอย่าอย่ายุ่งยากอย่าย네ุ่งยากอยเป็นประเด็ยากไปก็ยากเอาก็ไปไม่เอาก็อย่าเอาแล้วมันแยกกันแล้วคนอื่นมันใช้ได้ไหมคุณเอาไปแล้วครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งคร็เขาไปทำอะไรนะนหมือนเาเอาไปใ ก็เขาไม่มีอ่ะก็จะไปเอาที่ไหนเราเอ้คุณก็มาแปลกไปะจะเอาก็เอาไม่เอาก็อย่าเอาอะจะมาเอาครึ่งเดียวเลยครึ่งก็จะไปทําอะไรเดี๋ยวมันหนังสือนี้เดี๋ยวข อ, อาแต่ปลกไปได้ไหมไม่เอาไม่เอาตัวเล่มเอาแต่ปลอกอย่างเดียวไปจัดสิรนะีบี เราไม่ได้ทานน้ำมาจากชุมนุมค่ะพอแค่ทานน้ำได้ไมคได้เราอยากจะเอาบ้างเลงรู้สึจเวลาถึงหรือว่บ่ายโมงนะคะเอาเลยมปาเกตาเหลืองอรไรม่เอาเร็จอยา ก, ยากได้้ายังไงมีอะไรอยากจะถามหมอยากจะหมดทุกหมดโซ่ค่ะนี่หมดนี่อยากจะหมดทุกหมดโ หมดนี่ก็ต้องกัดตัดกิเลสเนี่ยตัดความโลภความอยากต่างๆความโลภเราไม่มีแต่ก็ยังทุกข์มันเดิมไม่ทำไมจะไม่มีที่ไม่มีเพราะเราไม่รู้ว่ามันมันมันรูปมันเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าเราไม่มีเราไม่รู้จักตัวมัน ตอนนี้เสียงทาง Youtube เช้าได้นะใช่ั้ยได้แล้วค่ะทางเ c e b o o กก็ใช้ได้นะมีโยมาจากสิงคโปร์เราเดี๋ยวบอกเข้เขาว่าเดี๋ยวสามโมงเดี๋ยวช่วงนี้ขอเป็นช่วงภาษาไทยก่อนเดี๋ยวต้องเป็นช่วงภาษาอังกฤษชาวสิงคโปร์มาเดี๋ยวนี้ป็น ต้องแบ่งเป็นภาคภาษาไทยกับภาคภาษาอังกฤษถ้าเป็นชาวต่างชาติก็บอกเขามาให้มาประมาณสามโมงถ้าคนไทยก็เริ่มที่สองโมงก็เพราะว่าถ้าเริ่มภาษาภาษาอังกฤษปาาัษ๊บเนี่ยคนที่ติดตามสวดท้ายหมดเลยเพราะฟังไม่รู้เรื่อง ก็เลยตอนนี้เอาช่วงภาษาไทยก่อนอาจรย์คะว่านั่งอยู่ทางนี้เป็นะไรคนลุกๆ ล, ลุ ก, กขึ้นมาขึ้นเลืกก่อนบอกมากับผีตา้านหรือเปล่าไม่หรอกคนลุกคนลุกคนกนก็มีหลาย<ผ>หลายหลาย ห, หลายอย่างปิติก็ได้กลัวก็ได้า <นะ S 2> มาในตัวก ล, ลัวกลันกามาให้นู้น เาแลนะจะพูดธรรมะตอนนี้อย่าแทรกอย่าแซงฟังธรรมะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงพบความจริงที่มีอยู่ในตัวเราแต่เรามองไม่เห็นกันคือพบความสุข พบความทุกข์ของเรามาเกิดจากความอยากของเราถ้ามีความอยากใจของเราก็จะทุกข์ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์สังเกต ด, ดูเวลาที่เราเกิดความอยากใจของเราจะไม่สงบเวลาอยากจะดื่มกาแฟ ใจเราก็จะหงุดหงิดจะหายหงุดหงิดก็ต้องดื่มกาแฟพอดื่มแล้วความหงุดหงิดนั่นก็หายไปแต่การแก้ความหงุดหงิดด้วยการดื่มกาแฟมันไม่ได้เป็นการแก้ที่แท้จริงเพราะแก้ได้ชั่วคราวพอเกิดความอยากดื่มกาแฟก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมา พอได้ดื่มกาแฟอารมณ์หงุดหงิดนั่นก็หายไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเมื่อกาแฟมันหมดก็อยากจะดื่มใหม่ก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาใหม่เพราะการดื่มกาแฟตามความอยากดื่มกาแฟไม่ได้ทำให้ความอยากดื่มกาแฟหมดไปมันทำให้กลับมาใหม่ พระพุทธเจ้าทรงคนพบวิธีที่จะทำให้ความอยากดื่มกาแฟหมดไปก็คือเวลาอยากกาแฟาก็อยากไปดื่มมันปล่อยมันหดหดไปเดี๋ยวพอความอยากดื่มกาแฟมันหมดกำลังความหุดหดมันก็หายไปแล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ที่ ตรงกันข้ามกับความรู้ของพวกเราพวกเรารู้ว่าเวลาหงุดหงิดอยากได้อะไรต้องไปเอามาให้ได้เพราะเวลาได้มาแล้วก็จะหายหงุดหงิดจะดีใจจะมีความสุขแต่ความสุขความดีใจที่ได้มามันก็อยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกก็ต้องไปหามาอีก หามาได้มากได้น้อนเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความอยากมันก็ไม่หมดโบราณเ็าต้องพูดว่าตอนต้นก็อยากได้คืบพอได้คืบก็อยากได้สอกพอได้สอกก็อยากจะได้วาเหมือนเราคนสมัยนี้ตอนต้นก็ขอให้มีเงินแสนพอมีเงินแสนแล้วก็อยากจะมีเงินล้านมีล้านแล้วก็อยากจะมีสิบล้าน มีสิบล้านก็อยากจะมีร้อยล้านอยากไปเรื่อยๆมีร้อยล้านก็อยากจะมีพันล้านพอเห็นคนที่เขามีพันล้านแล้วเราน้อยหน้าเขาอยากจะมีหน้ามีตากว่าเขาเขามีร้อยล้านเราต้องมีสองร้อยล้านนี่คือความอยากมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆทำให้เรานี่ต้องเหนื่อยกับการตอบสนองความอยาก ยังไม่ได้เป็นความสุขะถึงแม้จะได้เงินทองมามากมายกายกองอแต่ใจก็ยังดิ้นรนอยู่ยังหมดหุดเย็ดนำคานอยู่ยังยากอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะมีความสุขจริงๆนี่ต้องฝืนความอยากต้องกำจัดความอยากอย่าไปทําตามความอยากแล้วความอยากมันจะหายไปหมดไปในที่สุด แล้วมันจะไม่กลับมาถ้าอยากจะดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มมันทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มมันเดี๋ยวต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็หมดไปแล้วก็จะไม่รู้สึกอยากจะดื่มกาแฟอีกต่อไปคนที่ติดอะไรนี้เลิกได้ถ้าใจเข้มแข็งเข้มแข็งต่อสู้กับความอยากเป็นคนอยากจะเลิกบุหรี่เลิกสุรา ก็ต้องมีความเข้มแข็งที่จะต้องต่อสู้กับความอยากที่จะสูบบุหรี่ความอยากที่จะดื่มสุราถ้าเราสู้กับมันได้เราก็จะไม่ต้องกลับไปดื่มไม่ต้องกลับไปสูบถ้าเราสู้ไม่ได้ก็สแสดงว่าเราไม่มีกำลังแต่เราสามารถมาเติมกำลังมาเพิ่มกำลังได้กำลังของเราก็คือสติ กำลังของเราก็คือสมาธิกําลังของเราก็คือปัญญาถ้าเราเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญาก็เหมือนกับรถยนต์ที่เติมน้ํามันพอเติมน้ํามันมันก็วิ่งไปได้ไกลถ้าเติมไม่เติมน้ํามันมันก็วิ่งไม่ได้เวลาน้ํามันหมดรถต่อให้มีราคาดีขนาดแพงขนาดไหนแต่ถ้า ไม่มีเงินเติมน้ำมันก็หมดปวิ่งไม่ได้ใจเราก็เหมือนกันใจเราก็เหมือนรถยนต์มันไม่มีกำลังมันวิ่งไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็เลยสู้ความอยากไม่ได้เวลาเกิดความอยากก็ต้องทาตามความอยากเพราะไม่เช่นนั้นมันจะรู้สึกทรมานใจ แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะลดหรือระงับความทรมานใจได้ทำให้เราไม่ทรมานใจเวลาที่อยากจะดื่มสุราอยากจะสูบบุหรี่ใจเราก็จะไม่ต้องไปทาตามความอยากนั้นได้เมื่อไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะหมดกำลังไป นี่แคือธรรมะแก่นของคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้ะอยู่ที่ทุกข์รู้สุขของเรานี่อยู่ที่อยากหรือหยุดความอยากความสุขของเราอยู่อยู่ที่การหยุดความอยากต่างๆความทุกข์ของเราอยู่ที่การทําตามความอยากต่างๆแล้วถ้าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากเราก็มา สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะทำใจให้สงบไม่ทรมานกับความอยากได้ความอยากก็จะไม่สามารถที่จะมาบังคับให้เราไปทำอะไรตามที่ความอยากต้องการได้นี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดจะรู้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้พวกเรามาหยุดความอยากกันแล้วก็สังสอนวิธีที่จะสร้างกำลังสู้กับความอยากสงสอนอาวุธที่จะมาใช้ทําลายความอยากเช่นวันญาติอยู่วันเกิดเนี่ยบางคนวันเกิดก็อยากจะฉลอง อยากไปเที่ยวอยากจะซื้อเสื้อผ้าซื้อของขวัญให้กับตัวเองแต่ถ้าเป็นการซื้อตามความอยากมันก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ามาทำตามที่พระเจ้าสอนคือเอาเงินที่จะไปซื้อของขวัญให้กับตัวเองนี่ มาซื้อเครื่องเล่นเอ็ีสามมาแจกเป็นธรรมทานอันนี้มาทำทานเอาเงินมาทำทานอันนี้ก็จะเป็นการหยุดความอยากหยุดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของขวัญให้กับตัวเองไม่ว่าของขวัญ น, นั้นจะเป็นอะไรจะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นรถยนต์เป็นโทรศัพท์มือถือหรือไปเที่ยวตาม ฐานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไปเลี้ยงฉลองตามโรงแรมอันนี้ก็เป็นการใช้เงินต่างความอยากอันนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต่อไปเพราะความอยากนี้เมื่อมันทำแล้วมันจะกลับมาอยากอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้เราก็จะทุกข์กัน แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปทําตามความอยากนี้มาทําทานมาซื้อเครื่อง NP3 เครื่องเราเรียกว่าพระเครื่องพระในเครื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าเครื่องเล่น NP3 นี้ก็เรียกว่าพระพระวงเล็บในเครื่องพระเครื่องพระเครืงเพื่อที่จะได้เอามาให้ผู้ที่ ไม่รู้ธรรมะได้ยินได้ฟังธรรมได้แสงสว่างแห่งธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากาการดับทุก็เกิดจากการหยุดความอยากอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้ในระดับหนึ่งความอยากเกี่ยวกับการใช้เงินทอง อยากจะซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นเอาไปทำบุญดีกว่าเอาไปทำบุญทำทานแล้วความอยากจะซื้อของไม่จำเป็นมันจะหายไปแล้วต่อไปจะอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายได้มีเสื้อผ้าสองสามชุดก็มีความสุขแล้วดีกว่ามีเสื้อผ้าเต็มบ้านเต็ม เ, เต็มช่องแต่ใจไม่มีความสุขเพราะยังอยากซื้ออยู่นะความอยากซื้อไม่หมด ความอยากนี่พระเจ้าสอนให้เราใช้การทำบุญเป็นตัวกาจัดมันในระดับหนึ่งคือความอยากที่เกี่ยวกับต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเราก็อย่าเอาเงินทองไปเป็นเครื่องมือของความอยากเอาเงินทองไปเป็นเครื่องมือของการกาจัดความอยากด้วยการเอาเงินทองนี้ไปทำบุญแทนอย่าเอาไปทำตามความอยาก เราจะมีความรู้สึกมีความสุขมากกว่าสมมุติเอาเงินที่จะซื้อ NP สามนี้ไปจัดงานเลี้ยงเพื่อนฝูงคืนนี้กินกันสนุกสนานเทหากันเดี๋ยวรุ่งเช้ามันก็หมดไปแล้วหายไปหมดแล้วเราก็อยากจะจัดงานขึ้นมาใหม่เพราะมันติดแต่ถ้าเราเอาไปทาบุญทําทานความอยากจะจัดงานเลี้ยงก็หายไป แล้วความสุขที่ได้จากการทำบุญก็ยังอยู่กับเราทำให้เราอยู่แบบส ม, มถาเรียบง่ายได้ไม่ต้องฟู่มเฟือหัหวหรืหลาเราก็จะไม่มีความกดดันที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากเงินทองที่เราหาเราก็หามาเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายเราก็ไม่ต้องหามาก แ้วเราก็จะได้มีเวลามาสร้างเครื่องมือที่จะหยุดความอยากเพิ่มขึ้นก็คือการรักษาศีลโดยเฉพาะการรักษาศีลแปดการนั่งสมาธิการเจริญสติการเจริญปัญญาการสร้างเครื่องมือเหล่านี้ต้องมีเวลามากต้องใช้เวลามากถ้าเรายังต้องบวบไปหาเงินหาทองเพื่อจะเอาเงินทองมาใช้ตามความอยาก เราจะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาไม่มีเวลาที่จะมารักษาสีล8แได้แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินไ ป, ไปตามตามความอยากต่างๆเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเพราะเงินที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้มันไม่ไม่ได้มากมายเหมือนกับเงินที่เอาไปใช้กับการซื้อของตามความอยากต่างๆ เราก็เลยอาจจะทำงานเพยงปีละเดือนเดียวก็พอทำเดือนหนึ่งก็มีเงินเก็บกินได้ทั้งปีแล้วก็เอาเวลาที่ไม่ต้องไปทำงานนี้ไปปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมก็เพื่อเป็นการไปสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากสร้างศีลสร้างศีลแปดขึ้นมาสร้างสติขึ้นมา สร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะมีเครื่องมือที่จะทำให้ใจเราไม่ทรมานเวลาเกิดความอยากเกิดความอยากเราก็จะหยุดมันได้ตอนต้นเราก็หยุดด้วยศีลก่อนศีลแปดจนว่าวันนี้มันเกิดถือศีลแปก็เย็นนี้ก็จัดงานเลี้ยงไม่ได้ละกินอาหารเย็นไม่ได้จัดงานจัด พวกบันเทิงไม่ได้แล้วมอเระสุภภาพประยุนยอะไรนี้ก็ไม่ได้แล้ว ก, ก็ทำให้เรามีเวลาว่างไม่ต้องจัดางานเลี้ยงหลังจากเที่ยงวันเราก็ไม่กินอาหารแล้วเราก็มีเวลาตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเวลานอนถ้านอนสี่ทุ่มก็สิบชั่วโมงที่เราจะเอามาใช้กับการ เดินจงกลมนั่งสมาธิมาเจริญสติมานั่งสมาธิแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่คือวิธีการของของการบำเพ็ญที่พระเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญกันปฏิบัติกันอย่าเอาเวลามีค่านี้หมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระ คือการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นเหมือนกับหาความสุขจากยาเสพติดเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณคนที่เสพยาเสพติดนี่เขาได้รับความสุขช่วงช่วงที่เขาเสพแต่เวลาที่เขาขาดยาเสพติดเมื่อไหร่เวลานั้นเขาก็จะทรมานและอาจจะตายได้ เสพมากๆร่างกายก็รับสู้สู้กับพิษของยาเสพติดไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกเิื้อง่ายก็เหมือนกันถ้าเราเสพแล้วเราจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆขาดไม่ได้คนที่ติดรูปเสียงกลิ่นรสจึงมาถือเสียงแปดกันไม่ได้ถือพอถือเสียงแปก็ไม่สามารถหาความสุขไม่หาไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้แล้ว ภาพยนตร์ก็ดูไม่ได้เพลงก็ฟังไม่ได้สถานที่ท่องเที่ยวก็ไปไม่ได้แหล่งบันเทิงต่างๆก็ไปไม่ได้ให้ไปวัดอย่างเดียวให้ไปอยู่ที่สงบเพื่อจะได้ฝึกสมาธิฝึกส ต, ติการจะฝึกสติฝึกสมาธิต้องอยู่ที่เงียบที่ไม่มีอะไรม า, าลบกวนใจถ้าอยู่ที่มีเหตุการณ์ต่างๆมี กิจกรรมต่างๆมันก็จะทำให้ยากต่อการที่จะทำใจให้สงบยากต่อการจเจริญพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจหยุดคิดถ้าใจไม่หยุดคิดใจจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขมันก็จะหิวกับความอยากต่างๆแต่ถ้ามันมีความสุขมีความสงบแล้วมันจะอิ่มมันจะไม่หิวกับความอยากต่างๆ เวลาเกิดความอยากขึ้นมามันก็ต่อต้านได้ต่อสู้ได้เพราะมันอิ่มแล้วมันเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วก็จะไม่รู้สึกหิวแต่คนที่ไม่ได้กินข้าวนี่พอเห็นข้าวมันก็หิวแล้วอยากจะกินขึ้นมานี่คือวิธีที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับความอยากเราต้องสร้างความอิ่มใจให้เกิดขึ้นก่อน กิอิ่มใจจากการทำใจให้สับเงี่งสมาธิใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาแล้วใจจะมีความอิ่มความสุขความพอเวลาออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากก็เอาปัญญามาห้ามสอนใจว่าถ้าไปทาตามความอยากมันก็จะได้ความสุขเดีย ว, ยวแล้วเดี๋ยวก็จะต้องทุกเวลาที่ไม่สามารถ ทำตามความอยากได้หรือสิ่งที่เราได้มาที่ให้ความสุขกับเราพอมันจากเราไปเนื้อพอมันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์ทำให้เราอยากใหม่ขึ้นมาเช่นไปดื่มกาแฟดื่มหมดแล้วมันก็เดี๋ยวความสุขก็หมดไปเดี๋ยวความอยากดื่มกาแฟถ้วยใหม่ก็มาอกีกถ้าเป็นความสุขจริงมันต้องดื่มถ้วยเดียวแล้วก็พอ ดื่มกาแฟถ้วยเดียวแล้วก็ไม่อยากจะดื่มไปอีกตลอดชีวิตอ ย, อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความสุขแท้ถ้าเป็นความสุขฟอมก็คือต้องดื่มอยู่เรื่อยๆพอดื่มแก้วนี้ความสุขได้จากแก้วนี้เดี๋ยวก็จางหายไปต้องหาเติมใหม่ต้องดื่มแก้วใหม่ถึงจะได้ความสุขใหม่ขึ้นมาต่อให้ดื่มกี่แก้วความสุขก็ได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปแล้วพอเวลา ไม่มีให้ดื่มก็จะเป็นเวลาที่จะทุกข์ทรมานใจนี่คือคำะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีเป้าหมายอยู่ที่การหยุดความอยากในท่านั้นหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะหยุดความอยากมีในสิ่งที่เราไม่มีหยุดความอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็น แล้วก็หยุดความอยากไม่เป็นในสิ่งที่เราเป็นหยุดความอยากไม่มีในสิ่งที่เรามีบางทีมีหน้าตาแบบนี้ก็ไม่ชอบต้องไปทำสัญญกรรมออย่างนี้ก็หรือมีคิ้วแบบนี้ไม่ชอบก็ไปโกนมันทิ้งแล้วก็ไปทามันใหม่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิภวตันหาความอยากมี ความอยากไม่มีในสิ่งที่เรามีจมูกมันแบนก็ไปทำให้มันโดนี่ก็เลยว่าความอยากไม่มีในสิ่งที่เรามีมีจมูกแบนไม่ชอบอยากจะได้จมูกโดนี่ก็ทุกเนี่ยแล้วเดี๋ยวไป ท, ทาแทนที่จะได้จมูกโดมันกับอาจจะได้จมูกเน่ากลับมทีนี้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ นี่คือสิ่งความอยากต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนมีอยู่สามกลุ่มความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีในสิ่งที่เราไม่มีเช่นอยากมีเงินไม่มีเงินก็อยากจะมีเงินความอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากเหล่านี้มันจะทำให้ใจเราดิ้นทําให้ใจเราต้องๆๆๆ กวนก歪กระสับกระสใเออย่างเด็กพวกที่เ n t r a n c ก่อนจะถึงวันที่สิบห้านี่โหยรูเสึกมันเครียดกันทุกคนมันอยากจะได้สอบเอ t r a านให้เข้าได้อันนี้ก็เป็นความอยากพออยากแล้วมันถ้าไม่ได้มันก็เครียดขึ้นมาหรือยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็เครียดแล้วทุกข์แล้ว พอได้ก็ดีใจเดียวเดียวเดียวก็อยากอย่างอื่นมาต่อต่อไปก็อยากจะเรียนให้ได้คะแนนดีให้ได้เกียรตินิยมอยากจะเรียนให้จบพอเรียนจบก็อยากจะได้งานทำอีกแล้วมันก็มีความอยากตามมาอยู่เรื่อยๆมาสร้างความเครียดให้กับเราอยู่เรื่อยๆสู้อยากไปอยากดีกว่าอยู่เฉยๆแล้เป็นสุขได้ยิ่สบายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไร นี่คือวิธีการนําใจเราสู่ความสุขหยุดความทุกข์ต่างๆต้องหยุดความอยากสามประการนี้หยุดกามตัณหาหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดภาวะตัณหาหยุดความอยากในอยากมีในสิ่งที่เราไม่มีอยากไม่มีอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วก็กลุ่มที่สามก็หยุดวิภาวะตัณหา หยุดความอยากไม่มีในสิ่งที่เรามีเช่นอะไรที่เรามีความแก่ไงมีใครไม่แก่มั่งมีใครไม่เจ็บมัง่งมีใครไม่ตายมัางแต่ไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายกันแต่ก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องแก่ถึงเวลามันก็ต้องเจ็บถึงเวลามันก็ต้องตายแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ หยุดไม่เจ็บหยุดไม่ตายแล้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายการที่เราจะหยุดได้เราก็ต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาสติก็พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นหนึ่งให้มีความสุขในใจแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามมันไม่ได้ ไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่แต่ถ้าอยากแล้วมันทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วมันไม่ทุกข์จะเอาอย่างไหนดีจะเอาทุกข์หรือไม่เอาทุกข์ถ้าจะเอาทุกข์ก็อยากไปเหมือนที่เรากำลังอยากตอนนี้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็จะได้ความทุกข์กันถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้อง อยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาร่างกายนี้มันเป็นอนัตตาเราไปห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้สั่งให้มันอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีวันที่จะต้องแก่เจ็บตายไปถ้าเรามาฝึก สติสึกสมาธิฝึกปัญญาได้ต่อไปเวลาร่างกายแก่ล้วก็จะเฉยเฉยร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนที่มาเลี้ยงดูร่างกายใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นพี่เลี้ยงของร่างกายใจเป็นคนสั่งเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยกลัวไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทั้งๆที่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้คือปัญญาในพะที่พระเจ้าทงคนพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจเนี่ไม่ต้องใจไม่ต้องไปกลัวว่าร่างกาย ทำให้ใจเป็นอะไรไปด้วยใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเหมือนคนขับรถกับรถยนต์นี่มันเป็นคนละส่วนกันรถเสียคนไม่ได้เสียคนขับไม่เสียรถเสียก็เอาเข้าอู่ไปซ่อมเท่านั้นเองถ้าไปชนพังก็กซื้อใหม่เท่านั้นเองคนขับก็ไม่ได้พังไปกับรถยนต์ใจก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย อย่างมากก็เวลาร่างกายตายไปถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิด <hi> ใหม่หมท่นเองแต่เกิดใหม่ก็จะต้องมาเจอปัญหาเดิมก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายเหมือนเดิมถ้าไม่อยากจะกลับมาเจอปัญหาซ้ำซากก็อย่ามาเกิดถ้าไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้นกายเนี่ยนี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเราหยุดความอยากได้หนึ่งเราจะหยุดความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้สองเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะได้นิพพานได้บรมมสุขนิ บ, บานังบามังสุขขังความสุขแท้คือความสุขของพระนิพพานนิพพานคืออะไรก็คือใจที่ไม่มีความอยากแล้วไม่มีกามตัญหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาแล้วก็ใจก็อยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นคนรับใช้ อยู่กับความสงบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรเป็นความสุขที่ล้นฟ้าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆเพราะเป็นความสุขปลาดิ๋วปลดาวไปเที่ยวกลับมาก็หมดไปกินไปดื่มเสร็จก็หมดไปดูไปฟัง ปัเสร็จแล้วมันก็หมดเลยต้องกลับไปเที่ยวใหม่ไปกินไปดื่มใหม่ไปดูไปฟังใหม่เที่ยวเท่าไหร่กินเท่าไหร่ดื่มเท่าไหร่ดูเท่าไหร่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าได้ความสุขจากพระนิพพานนี้มันจะอิ่ม <c oughs> จะพอไปตลอดมันเลยไม่ต้องปเป็นเหน็ดเหนื่อยกับการหาความสุขอย่างที่พวกเรากําลังหากันแล้วเวลาหาไม่ได้ก็เสียใจเวลาอยากไปเที่ยว เกิดไปไม่ได้ขึ้นมาก็เสียใจเกิดเครื่องบินเขาเสียเครื่องเสียไปไม่ได้ก็เสียเกิดเมืองที่เราจะไปมีพายุมีเหตเุมีเหตุการณ์ร้ายแรงไปไม่ได้ก็เสียใจไปไม่ได้ซู่งาความสุขจากความสงบดีกว่าหาความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากดีกว่าอันนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใคร ไปอยู่ลําพังคนเดียวที่ไหนเงียบๆแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาสอนใจให้หยุดทําตามความอยากต่างๆให้หมดนแล้วใจก็จะสงบใจของพวกเราไม่มีวันตายเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงที่ว่าใจของพระพุทธเจ้ามีแต่ความสุดตลอดเวลาส่วนใจของพวกเราเนีน่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา ก, กับความอยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนี้อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้ทุกมาตลอดแล้วจะทุกข์ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เรายังไม่ได้กําจัดความอยากทั้งสารนี้มันก็จะคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจเราไปเรื่อยๆอ น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะได้รู้ว่า ความสุขความทุกข์ของใจเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากกับเกิดจากความหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากใจก็สุขถ้าทําตามความอยากใจก็จะทุกข์ถ้าทําตามความอยากใจก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมามีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆร่างกายนี้หมดก็จะมีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันใหม่ แต่ถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายไม่ร่างกลับมามีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายสบายกว่าไม่ต้องมีภาระต้องดูแลมีร่างกายก็เป็นภาระต้องเลี้ยงดูทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหน็ดเหนื่อยกันทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะมีร่างกายร่างกายนี้มันต้องมีปัจจัยสี่ ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีย า, า ร, รักษาโรคมีเครื่องนุ่งหง่มก็ต้องเป็นภาระไม่มีร่างกายก็สบายพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งภาระหะเวปัญจขันธาพอไม่มีร่างกายนี้แล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ต้องทางานทาการไม่ต้อง มีที่อยู่อาศัยไม่ต้องมีเครื่องนุ่งหม่มไม่ต้องมียารักษาโรคไม่ต้องมีอาหารนี่คือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดความอยากทั้งสามนี้หยุดกามะรติหาหยุดพระหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาด้วยการทำทานรักษาศีลด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา สมถภาวานาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวานาก็คือปัญญาน้วยการเจริญสติถ้าไม่มีสติจิตก็จะไม่สงบจะเป็นสมาธิไม่ได้ถ้าจิตไม่มีสมาธิก็ใช้ปัญญามาหยุดกิเลสไม่ได้สู้ไม่ไหวแต่ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะใช้ปัญญามาสู้กับกิเลสได้หยุดความอยากต่างๆได้ เราก็จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดไปการเกิดแก่เจ็บตายก็หมดไปเหลือแต่ความสุขที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของใจก็คือนิพานนี่นิพานไม่ได้เป็นสถานที่นิพานเป็นสภาพจิตใจของพวกเราตอนนี้ใจของพวกเรามันไม่เป็นนิพานมันเป็น มันเป็นสังสารวัตรมันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังอยากอยู่อยากก็เลยต้องไปเกิดเกิดก็ต้องเกิดพบต่างๆตามบุญตามบาปที่ทำไว้่พอเราชำละความอยากได้หมดเราก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปก็ขอให้ท่านจงเอาธรรมะอันประเสริฐที่นานๆจะ มีปรากฏขึ้นมาในโลกให้เป็นที่พึ่งของสามโลกสักครั้งหนึ่งนี้ให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติกันเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปนะการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเววหาปุราปริกปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตางนังอุปกาปติอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาหราสุยะถามณิโชติ ขระโสยะธาสปิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวตตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนศีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวัฏาติอายุวันโอสุขัง พลามีอะไรอยากจะถามไหมครับท่านคะแล้วถ้าเราจะความอยากที่มันเกิดนี่ถ้าเราไปให้มันมันก็จะไม่ลดลงแต่ว่าเราต้องเหมือนกับไ ม, ไม่เติมความคือมันอยากเราต้อง อ, อย่าไปทำนอะอย่าไปตามใจมัน จ <c oughs> นอยากจะซื้อกระเป๋าก็อย่าไปซื้อมันใช้เหตุผลว่ า, ากระเป๋าของเก่ายัางดีอยู่ก็ใช้ไว้ก่อนถ้ามันขาดแล้วจําเป็นต้องซื้อนี่ไม่เป็นความอยากซื้อได้ถ้ามันจําเป็นจะต้องมีต้องใช้ซื้อได้แต่ถ้ามันไม่จําเป็นมันอยากได้เห็นแล้วมันสวยอยากใช้ของใหม่อย่างนี้มันก็จะติดเป็นนิสัยไป <c oughs> เราต้องพยายามปฏิบัติแล้วจะมีกําลังสู้มัน ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะสู้ได้เพราะใจจะมีความอิ่มมีความสุขก็จะฝืนได้ถ้าไม่มีสมาธินี่เหมือนคนไม่กินข้าวพออยากปั้มมันก็ต้องกินอย่างเดอา่าสมาธินะี่คือความอิ่มใจแล้วพอคิดอยากได้อะไรก็เออไม่เอาก็ได้มันก็นได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิพอคิดอยากได้แลนะ้วแล้วโอ้มันต้องเอาให้ได้ งั้นพยายามมาปฏิบัติทากันเราเก็บตัวติกวิเวกหรือสีนแปดฝึกเจริญสตินั่งสมาธิในใจสงบแล้วเวลาอยากอะไก็ใช้ปัญญาสอนว่าอยากเราจะทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหมดไปก็ทุกข์ก็ต้องหาใหม่อาไม่ได้ก็ทุกข์อีกสูอยู่กับความสงบดีกว่า